หรือทายาบ้านก็คือที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้บวชบวชมาเพื่ออะไรถาม่าบวชมาเพื่ออะไรพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเราไม่ใช่บวชมาเพื่อที่จะหลอกลวงคนมิใช่เพื่อที่จะให้คนนี้มาเคารพนับถือเรามิใช่เพื่อลาบสการะและความสำเสริญ ไม่ใช่เกียรติยศและชื่อเสียงหรือไม่ใช่บทมาเพื่อแก้ลัทธินั้นแก้ลัทธินี้แต่พรหมจรรย์ที่เราประพฤตินี้เราประพฤติเพื่อสังวรคือความสำรวมระวังเพื่อประหารนะคือความละเพื่อวิราคะคือความคลายกำนังยินดีเพื่อนิโรธคือความดับทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจุดสุดท้ายหรืจุดหมายของการประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็คือความดับทุ ก, กข์ มุ่งไปสู่ความดับทุกข์เป็นที่ตั้งแต่ว่าจะดับทุกข์ได้แค่ไหนนั้นก็อยู่ที่การปฏิบัติของแต่ละบุคคลว่าจะาปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์ได้แค่ไหนอย่างไรเนี่เป็นจุดหมายของการประพฤติพรหมจรรย์ในพุทธศาสนาฉะนั้นการประพฤติดีแล้วในฐานะที่ว่าเป็นความดีของสงน้นจึงขอให้เรายึดถือสัมมาปฏิบัติ ว่าการประพฤติดีนั้นก็คือประพฤติตามมรรคแปดระสงค์องค์ใดเดินตามมรรคแปดประสงค์องค์นั้นแหละเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเรื่องดีอย่างอื่นเรายังไม่ต้องไปพูดถึงเพราะอันนั้นยังไม่ใช่ความดีที่แท้ความดีที่แท่อยู่ที่การปฏิบัติตามมรรคแดหรือตามศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานั้น เป็นปฏิปทาที่ดีแล้วของพระสงฆ์ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมส่วนความดีในอื่นๆที่นอกไปจากนี้ถือว่าเป็นเรื่องความดีที่นอกเหนือไปจากความดีของพระสงฆ์ที่แท้จริงพระสงฆ์ที่แท้จริงนั้นก็คือเป็นผู้บีศีนสมาธิปัญญาหรือดำเนินตามองค์มรรคของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็น เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมว่าปฏิบัติดีแลว้วก็ปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติดีส่วนหลักการปฏิบัติในด้านอื่นๆที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้กลับยกย่องพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์แต่ละองค์ไว้อันนั้นเป็นความดีพิเศษความดีพิเศษอย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเอตัคะ เรียกว่าเอตักทะะเป็นความดีที่นอกเหนือไปจากความดีอย่างนี้เช่นพระโมคคัานะมีฤทธิ์ท่านก็ยกย่องว่าเป็นผู้มีเอตักคะะในทางแสดงฤทธิ์พระสารีบุตรมีสติปัญญามากก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางปัญญาพระมหาสัจจยนะเป็นผู้ที่สามารถอธิบายธรรมะได้กว้างขวางขยายพุทธวจนะได้กว้างขวาง ก็ได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นเอตัคทะในการขยายธรรมะหรือแสดงธรรมะพระมหากระสปะเป็นผู้ที่เคร่งครัดในทางทุดงก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตัคทะในทางทุดงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความเป็นเอตัคทะของพระสงฆ์เนี่ยจึงมีพิเศษแตกต่างกันออกไปแต่ละองค์แต่ละองค์งเนี่ยไม่เหมือนกัน และความเป็นเอตัคขะของพระสงฆ์นี่เองที่มีส่วนมาช่วยงานของพระพุทธศาสนานี้ให้เจริญก้าวหน้ามาตามลดับคือหลักปฏิบัติในเรื่องของมรดแปหรือศีลสมาธิ ป, ปัญญา น, นั้นเป็นหลักปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์เนี่ยโดยทั่วไปทุกองค์ที่จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นแต่ความเป็นผู้เลิศในทางใดทางหนึ่งนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะบุคคลเพราะบุคคลเหล่านั้น จะมีอะไรดีพิเศษมันเหมือนกันนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้คนหนึ่งจะต้องพิเศษไปทางหนึ่งทางใดทางหนึ่งจะต้องพิเศษออกไปแต่ว่าเอตตะทคะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสยกย่องไว้ในสมัยพุทธกาลนั้นจะไม่มีเอตตะทคะอย่างที่เรายกย่องกันในปัจจุบันนี้เช่นจะไม่มีเลยว่าพระสงฆ์องค์นี้นั่งหลับตาดูหวยดูเบอร์เก่งจะไม่มีเลยว่าพระสงฆ์องค์นี้เก่งทางน้ำมนต์พระสงฆ์องค์นี้ เก่งทางสเสน่ยากแบบพระสงฆ์องค์นี้เก่งทางนั่งทางในทางโน้นทางนี้จะไม่มีจะไม่มีการยกย่องในลักษณะดังกล่าวแต่จะยกย่องในเรื่องของมรรคผลยกย่องในหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาที่แท้ที่บริสุทธิ์จริงๆไม่มีอย่างอื่นมาเคลือบแฝงที่จะให้ผิดไปจากสุปฏิปันโนนี้ได้ เพราฉะนั้นการยดย่องพระสงฆ์เป็นเอตัะคะในสมัยพุทธกาลนั้นจึงยกย่องไปตามระดับอย่างนี้และก็ปรากฏว่าความเป็นเอตัะคะของแต่ละองค์นั้นก็อาศัยบุพพาธิการคือความเป็นผู้เลิศในทางใดทางหนึ่งเนี่ยอยู่ที่บุพพาธิการหรือบุญญาธิการของพระสงฆ์แต่ละองค์พระสงฆ์แต่ละองค์นั้นท่านมีบุญญาธิการมาไม่เหมือนกันบางองค์ท่านมีบุญญาธิการในทางนี้ท่านก็เลิศไปนในทางนี้ งองค์มีบุญญาธิการในทางนี้ท่านก็เลิกไปในทางหนึ่งบุญญาธิการนี้แหละที่ทําให้พระสงฆ์นี้เป็นเอกตั้งคัดไม่เหมือนกันทั้งในด้านความรู้และความสามารถของพระสงฆ์ในสมัยนั้นก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าความเป็นผู้เลิกในแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้แหละมาประกอบกันเข้าเป็นองค์ก็ทําให้งานของพระพุทธศาสนานี้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว เรียกว่าตลอดระยะเวลา45ปีที่พระพุทธองค์ได้ประกาศพุทธศา ส, สนานั้นได้ทําให้พระพุทธศา ส, สนาเนี่ยตั้งได้มั่นคงเกือบทั่วชมพูทวีปแม้จะไม่ทั่วไปทั้งหมดแต่ก็เกือบทั่วทั้งๆที่ในชมพูทวีปนั้นมีลัทธิศาสนามากมายแต่การเผยแรพร่พุทธศาสนานั้นก็ได้ผลทั้งนี้ก็เรื่องมาจากว่าได้พระสงฆ์ที่มีคุณธรรมดีและก็มีคุณภาพดี ต แ, แตระองค์ที่เป็นเอตตะคะะนี้ความเป็นผู้ความเป็นเอตตะคะะของพระสงฆ์แตระองค์นั้นท่านได้มาจากการศึกษาอบรมฝึกฝนท่านได้มาจากบารมีแต่อดีตชาติของท่านเดี๋ยวการที่เราให้การศึกษาพระสงฆ์มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆมากขึ้นก็ดี หรือการที่ฝึกผลพระสงค์ให้มีความรู้มีสมรรถภาพในทางงานบริก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยงานของพระพุทธศาสนาเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ถ้าเราไม่สร้างเครื่องดำเนินอย่างประเสริฐสำหรับพระสงฆ์ที่จะดำเนินตามมารอัปตะกอบโดยองแ์8ประการนั้นพระสงค์ที่ตั้งอยู่ในมาร์คนี้จึงจัดว่าเป็นสุปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติชอบถ้าตั้งมั่นอยู่ในผล ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติชอบแล้วมรรคนอกจากมรรคแปบแล้วก็หมายถึงมรรคจิตมรรคจิตนี้ก็คือจิตที่เกิดขึ้นทำลายกิเลสจะเป็นโสดาปฏิมรรคจิตสกัดทาคาม่มรรคจิตอนาคามัมรรคจิตหรืออรหัตอมรรคจิตก็ตาม ผู้ที่อบรมมัคคิจิที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในมัคเนี่ยประเภทหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของอริยสงฆ์ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในมัคอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติชอบเมื่อมัคคจิตทําหน้าที่ประหารกิเลสแล้วดับลงผลจิตก็เกิดขึ้นติดตามมาภิกษุที่ประลุถึงซึ่งผลจิตนั้นเรียกว่าเป็นผู้ พิษธรรมปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติชอบก็คือเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรคและตั้งอยู่ในผลกระส่งที่ตั้งอยู่ในมรรคก็เชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติชอบตั้งอยู่ในผลก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติชอบแล้วหรืออีกในยันหนึ่งท่งานตรัสว่าปฏิบัติ หือปฏิปทาที่ประสงค์ได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเป็นปฏิปทาที่ชอบแล้วเป็นการปฏิบัติดีแล้วคือปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านสอนเราไว้อย่างไรเราปฏิบัติอย่างนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีสิ่งใดที่ท่านพระเดศสอนเราไว้ เราก็ไม่ปฏิบัติตามสิ่งนั้นเช่นอย่างความชั่วพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้สอนให้ใครทำแต่ถ้าเป็นความดีแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้ทำสอนให้ปฏิบัติฉะนั้นถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรัสสอนไว้จึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาสาหรับอุบาสกและอุบาสิกาทั่วไป เพราะว่าอุบาสกอุบาสิกานั้นไม่อาจสามารถจะทราบได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าสอนถึงเรื่องอะไรไว้บ้างเราไม่สามารถจะทราบได้เพราะคําสอนได้มีมากเหลือเกินมีถึงแปดหมสี่พันระธรรมขันธ์ท่านทั้งหลายก็ต้องอาศัยพระสงฆ์อีกแหละต้องอาศัยให้พระสงฆ์เป็นผู้สอนต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัาสอนไว้อย่างไรพระสงฆ์จะต้องเอาคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มาสอนท่านทั้งหลายอีกทีหนึง่งจะได้การนําคําสอนเอามาสอนเนี่ยนำมาจากไหนประสงค์จะไปนั่งคิดแล้วก็มานั่งพูดนั่งเทศไม่ได้จะต้องนําเอามาจากพระไตรปิฎกหรือคำทีพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาที่ท่านได้ร้อยกรองเอาไว้ให้รวบรวมคําสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ให้ก็ต้องหยิบเอาจากพระไตรปิฎกนี่แหละมาสอน จะนั้นพระสงค์ที่จะสอนธรรมกับอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องเอาธรรมะในพระไตรปิฎกมาสอนสอนนอกพระไตรปิฎกไม่ได้ถ้าสอนนอกพระไตรปิฎกก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้นําธรร ม, มะมาสอนแต่อาจจะนําอย่างอื่นที่นอกเหนือไปจากธรรมะมาสอนก็ได้เพราะฉะนั้นการสอนธรรมะเนี่ยจึงอยู่ที่ตัวของพระสงค์ด้วยว่าพระสงค์จะต้องนำพระไตรปิฎกมาสอน ปัจจุบันนี้เราคลาแคลนเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์ที่สอนธรรมก็เพราะว่าพระสงฆ์ที่จะรอบรู้ในพระไตรปิฎกนั้นมีน้อยในประเทศไทยมีน้อยจริงๆที่มีน้อยนี้เพราะเหตุว่าเราไม่เคยเรียนพระไตรปิฎกกันมาเลยไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกเลยอย่างมากเราศึกษานักธรรมบาลีเท่านั้นเองแต่ตัวพระไตรปิฎกแท้ๆนี่ยเราไม่ได้ศึกษากัน เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องการขาดแปรประสงค์ที่จะนําธรรมะมาสอนให้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมจริงๆในเมื่อท่านไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกท่านจะหยิบมาพระไตรปิฎกมาสอนก็ไม่ได้เว้นแต่บางท่านที่ท่านได้สนใจศึกษาค้นคว้าด้วยตัวท่านเองนั่นแหละเราก็พอที่จะได้ละที่ท่านรอบรู้พระไตรปิฎกนำพระไตรปิฎกมาบรรยายบ้างเราก็จะได้หลักธรรมที่เป็นประโยชน์จริงๆ เพราเมื่อท่านนำหลักธรรมมาบรรยายท่านก็จะหยิบยกเอาหลักธรรมในพระไตรปิฎกที่มาที่ไปเนี่ยมาอภิษฐริบายนยายความให้เราได้เข้าใจไม่ใช่ว่ากันแต่เรื่องนิทานหรือตลกโบคาเป็นจำโอทไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ประจําเป็นจะต้องหยิบเอาหลักธรรมในพระไตรปิฎกเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยขึ้นมาอภิษฐริบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเวลานี้เราขาดแคลนมาก เพราะว่าเราไม่มีการศึกษากันเลยและที่เราจะให้พระสงฆ์มาศึกษาในพระไตรปิฎกจริงๆนี่แม้คัดยากจริงๆพันหนึ่งจะได้สักองค์หนึ่งก็ยังดีตอนหนึ่งพันองค์เนี่ยได้สักองค์หนึ่งก็นับว่าประเสริฐแล้วที่จะหมกมุ่นในพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยเราขาดแคลนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ยตมาเอง ก็ยังวิตกอยู่ว่าพุทธบริษัทนั้นจะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักจริงๆเนี่ยยากอยู่สักหน่อยหนึ่งถึงจะพยายามสเพียงใดก็ตามก็ยังมีจำนวนอีกมากที่ยังไม่รู้ในเรื่องของพระไตรปิฎกถ้าเรารู้เรื่องพระไตรปิฎกแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รู้และต่อพระพุทธศาสนามากมาย เพราะเราจะได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าีิแท้จริงว่าท่านสอนอะไรไว้บ้างและเราจะได้นำเอาหลักธรรมะของท่านมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อการำดำเนินชีวิตของเราตลอดจนต่อประโยชน์ในเรื่องการประกอบกิจการงานต่างๆเนี่ยเราใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ถ้าหากว่าเราศึกษารอบรู้แล้วแล้วก็นำเอามาใช้ปัจจุบันนี้การศึกษาดังกล่าวนั้น เพิ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นเช่นอย่างที่จิตตภาวันเนี่ยระวางหลักสูตรให้เรียนพระไตรปิฎกเรียนเข้าพระไตรปิฎกทั้งหมดแต่ก็ต้องคอยอีกหลายปีอีกเจ็ดแปดปีกว่าจะได้ประสงค์ที่มีความรู้ในเรื่องของพระไตรปิฎกออกมาช่วยงานของพระศาสนาตมาก็เปิดคณะเปิดแผนพิเศษขึ้นในปัจจุบันเนี่ยที่วิทยาลายัย เปิดเรียนพระพิธรรมปิดกแล้วก็เรียนพัะไตรปิฎกเนี่ยโดยเฉพาะสายวิชาโดยเฉพาะเลยแล้วก็รับเฉพาะพระสงฆ์ปีนี้เราเปิดรับสมัครไว้ยหสบรูปแล้วก็เพิ่งเริ่มศึกษาในปีนี้ที่เปิดแผนกนี้ขึ้นก็เพื่อที่จะได้สร้างพระสงฆ์ที่รู้พระไตรปิฎกจริจรงๆเราจะได้มีพระสงฆ์ที่เป็นครูสอนพระไตรปิฎกได้บ้างโดยเริ่มศึกษาแต่คมพีอภิธรรมปีดก เป็นต้นไปให้แตกฉานอภิธรรมปิด ก, ก่อนก็จะเห็นถ้าจะต้องใช้เวลาศึกษาถึงสี่ปีในในเรื่องพระไตรปิฎกนี่จะต้องใช้เวลาอีสัก4ี่4ปีซึ่งก็นานดูมันกันสี่ปีนี่ถ้าหากว่าได้พระสงฆ์ชุดนี้สาเร็จออกมาแล้วก็คงจะทำประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนานได้บ้างพอสมควรทีเดียวอันนี้เราก็ฝากความหวังว่า เพราะว่าหกิองค์ก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะได้ท่านมาดํารงพระไรปิฎกทั้งหมดหกิบองค์หรอกเอาแค่สักหกองค์ก็พอแล้วหกสิบนี่ขอหกองคเท่านะไม่ขอมากเพราะว่าแม้แต่เพียงแค่อภิธรรมเก้าปริเชนเนี่ยอาตมาเคยเปิดสอนมาสมัครเรียนครั้งแรกเจ็ดสิบองค์เรียนเรียนไปกว่าจะจบเก้าปริเฉนเหลือสององค์ เจ็สิบองค์หลือสององค์ครูสอนงี้เท้าอ่อนเลยหมดกำลังใจเพื่อสอนแค่เหลือสององค์คือแมมการศึกษาธรรมหรือศรัทธาที่จะศึกษาและจะปฏิบัติเพื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยเราหายากจริงๆบางทีพอสร้างๆจะดีสักหน่อยพอดังขึ้นสักหน่อยไปชักจะเบี้ยวแล้วคือไม่ตรงแล้ว ไม่ไม่ปฏิบัติตรงสแสดงเบี้ยวก็มีอย่างเนี้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องยากสร้างพระสงฆ์ไม่เหมือนกับสร้างพระพุทธสร้างพระพุทธนี่หลอแบบจะเอาแบบสุขโขทยัยแบบเชียงแสนอยุทยาแบบไหนก็ปั๊มออกมาแบบเดียวเหมือนกันหมดแต่สร้างพระสงฆ์นี่มักจะเบี้ยวบ่อยๆคือไม่ค่อยได้ไม่เหมือนสร้างพระพุทธเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักอยู่ไหมือนกัน เราอาตมาสร้างมาหลายปีแล้วรู้ดีตั้งอดีมือกับหลายองค์พยายามสนับสนุนให้ดีขึ้นพอจะดังสักหน่อยเบี้ยวอย่างนี้ก็มีคือไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตรงปฏิปทาหายากเนี่ยเป็นเรื่องลาบากลาบากกว่าสร้างพระพุทธอาตมาว่าสร้างพระพุทธดีกว่าและก็ตอนนี้กำลังจะสร้างพระพุทธด้วย คือคิดสร้างพระพุทธพระพุทธรูปซะบ้างไม่ผิดหวังดีสร้างประสงค์ไม่ผิดหวังบ่อยๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เราประสบกันอยู่ในเรื่องของศาสนาในปัจจุบันนี้เราอาตมาทุกทีอยู่กับงานทั้งในด้านการศึกษาการเผยแพ้่การปก ค, ครองอาตมารู้ดีรู้พระสงค์ทั่วประเทศหลับตาเห็นหมด เราว่าอบรมทั่วประเทศทุกปีทุกปีตลอดมารู้คุณภาพเป็นอย่างไรรู้คุณธรรมเป็นอย่างไรแต่ว่าบางอย่างก็พูดไม่ได้ต้องเก็บเอาไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาหรือ <c oughs> ท, ทั้งที่เราเนี่ยอยากจะพูดให้อุบาสกอุบาสิการู้เหลือเกินว่า <c oughs> เวลาเนี่ยถ้ามองดูในเรื่องคุณธรรมและคุณภาพแล้วเรางอนแงนเต็มทีแต่ก็ยังพูดไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้อง แก้ไขดำเนินงานกันต่อไปค่อยๆทำไม่ทราบว่าจะทำไปได้แค่ไหนกันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายของพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าเราไม่สร้างแล้วก็เห็นท่าจะหมดหวังเป็นเรื่องที่สามชุชนทั้งหลายควรทราบเมื่อถึงเวลาสมควรแล้วก็จะได้อธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงยังไงแต่เราควรจะทาอะไรกันบ้างเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้น ให้สมเร็จรุร่วงไปซึ่งอุบาสกบาสิกาทั้งหลายก็ควรจะได้ทราบเหมือนกันแต่เมื่อทราบแล้วยพยาย่งคลายศรัทธากันแล้วกันปี่ต้องช่วยกันจนถึงที่สุดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องแก้ไขอย่างนี้ให้ดีขึ้นงานของพระพุทธศาสนาก็จะได้เป็นประโยชน์แล้วก็พระพุทธศาสนาก็จะได้เป็นตึกแผ่นมั่นคงกันต่อไปเวลานี้เหลือประเทศเราเพียงขยิบมือเดียวเท่านั้นแหะ ชาประเทศเราไปอีกประเทศหนึ่งก็เป็นอันว่าหมดหวังแล้วพุทธศาสนาเสื่อมแน่ทั่วโลกไม่มีทางอยู่ได้เหลืออยู่แต่เฉพาะประเทศไทยเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ในประเทศไทยเราเนี่ยก็ต้องสูงในเรื่องของคุณธรรมต้องมีคุณธรรมสูงและต้องสูงในเรื่องของคุณภาพจึงจะสามารถนําพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของประชาชนได้แล้วก็ไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในในต่างประเทศได้ ถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณภาพแล้วก็ลำบากหมดที่พึ่งเราเวลานี้ทางโลกก็หาที่พึ่งยากคือหาคนที่จะยึดถือจริงๆที่เป็นคนตรงในยากมักจะเบี้ยวกันบ่อยๆถ้าประสงค์ท่านมาเบี้ยวตามคารวาสซะอีกก็ยุ่งใหญ่งนั้นยังไงก็สถาบันของสงฆ์ต้องไม่เบี้ยวต้องดำรงอยู่สสถาบานถันหนึ่งเพียงชั่วหน่อย ยังพอที่จะได้เป็นที่ยึดถือของญาติโยมสาทุชนด้วยนี่เป็นเรื่องของของสัมมาปฏิบัติเป็นเรื่องของสุปฏิปันโนในด้านของการปฏิบัตินี้เวลาเราบริกรรมนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนึกถึงสงเป็นที่ตั้งคือนึกถึงหมู่คณะที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่ตั้ง นึกถึงความดีของพระสงฆ์ท่านว่าเพราะพระสงฆ์ได้ดํารงพระพุทธศาสนามาเราจึงได้รับพระธรรมในปัจจุบันนี้เพราะท่านเป็นผู้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบเราก็นึกถึงคุณของพระสงฆ์อันเนี่ยเป็นที่ตั้งว่าท่านได้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบเป็นประโยชน์แก่สังคมมนุษย์นี้อย่างไรบ้างให้เรานึกถึงความดีของท่านส่วนที่ไม่ดีนั่นอย่าไปนึกถึงนึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆ สิ่งใดที่ไม่ดีเราจะไปรละลึกถึงเพราะว่า จ, จะทำให้จิตเนี่ยไม่ผ่องใสเศร้าหมองถ้านึกถึงน่าใจก็ไม่สบายเราก็พลอยหม่นหมองไปด้วยก็ให้นึกถึงแต่ความดีหรือผลงานที่ดีของพระสงฆ์ที่ท่านได้ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ว่าท่านได้ปฏิบัติอะไรบ้างที่เป็นความดีี่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมมนุษย์โดยทั่วไปขอให้เรารึกถึงความดีส่วนนี้ พระว่าพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้อาจจะทําความดีให้ถึงสาธุชนนี่น้อยกว่าในสมัยก่อนปัจจุบันนี้ศรัทธาต่อพระสงฆ์เนี่ยจึงมีน้อยกว่าในสมัยก่อนสมัยก่อนนั้นชีวิตของอุบาสกอุบาสิกาที่ดําเนินอยู่ในสังคมนั้นอาศัยพระสงฆ์เป็นผู้นําเราพึ่งพระสงฆ์ได้มากเหลือเกินเจ็บป่วยขึ้นมาก็พึ่งพระสงฆ์รักษาให้ เกิดคดีความระหว่างญาติพี่น้องก็พึ่งพระสงฆ์ช่วยไกลเกลี่ยตัดสินความให้ไม่รู้หนังสือก็อาศัยพระสงฆ์ช่วยสอนให้ไม่รู้เรื่องวิชาชีพก็อาศัยพระสงฆ์ทันแนะวิชาชีพให้สอสนศิละปะวิทยาการต่างๆให้สารพัดอย่างเราพึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นเดือดร้อนอะไรก็ไปพึ่งพระสงฆ์สมัยก่อนนี้พระพุทธศาสนามีบทบาทต่อสังคมลุกมาก แต่ในปัจจุบันนี้งานเหล่านั้น่ค า, วารวะเอาไปทํากันหมดแล้วคารวะเก็ไปทํากันหมดแต่จะทําได้ดีกว่าพระสงฆ์ในสมัยก่อนแค่ไหนนั่นก็เป็นที่รู้กันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละแต่ว่างานเหล่านี้พระสงฆ์ท่านทำมาก่อนทั้งนั้นให้เรานึกถึงความดีเหล่านี้แม้ปัจจุบันเราจะไม่ได้รับจากพระสงฆ์เต็มที่เลยก็ขอให้เรานึกถึงพระสงฆ์นในด้านของความดีแต่อดีตปัจจุบันนี้จะมีบ้าง ก็ส่วนน้อยเต็มทีถ้าระมองในด้านของประโยชน์ที่จะถึงสาธุชนจริงๆเนี่ยหาได้ยากเหลือกเกินเพราะประโยชน์ที่จะถึงสาธุชนนั้นก็คือหลักธรรมการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้รับความรู้จากพระพุทธเจ้าได้พึนประสงค์มาปลดเครื่องทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในในการดาเนินชีวิตนี้ได้ เราได้พึ่งพระสงฆ์กันบ้างหล้วในปัจจุบันนี้แต่ก็ยังไม่มากมายนะกฉะนั้นการที่เราจะระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนึกถึงความดีส่วนนี้ให้มากเพราะอย่างไรพระสงฆ์ก็เป็นผู้ที่จะต้องดํารงพระพุทธศาสนาอยู่ท่านทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติจะเจริญสังขารวิสตินี้ก็จะต้องคิดถึงแต่ความดีเท่านั้นแล้วก็ขอให้เราได้พยายามเสริมสร้าง พระสงค์สาวกของพร ะ, ระพู้มีพระภาคเจ้านี้ให้ดีตามไปด้วยคือส่งเสริมความดีของพระสงฆ์ในทางที่ถูกอย่าไปส่งเสริมในทางที่ผิดผิดด้วยความงงงายซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจะต้องเสริมเสริมในทางที่ถูกที่ดีที่งามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เราก็ส่งเสริมเพื่อที่จะได้ให้งานของพระพุทธศาสนาเนี่ยมั่นคงต่อไปสิ่งใดที่ไม่ดีก็อย่าไปส่งเสริม เพราะว่าเราก็เป็นเจ้าของพุทธศาสนาเหมือนกันท่านทั้งหลายก็เป็นเจ้าของพุทธศาสนาเราจะส่งเสริมก็ได้ไม่ส่งเสริมก็ได้เราจะทําบุญก็ได้ไม่ทําบุญก็ได้มันเป็นหน้าที่ของเราแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาดีแล้วเราก็ส่งเสริมในทางที่ถูกส่งเสริมหลักการที่ดีๆที่เป็นประโยชน์จริงๆที่ไม่เป็นประโยชน์เรากไม่ไปส่งเสริมเขาเพราะว่าจะทําให้พระพุทธศาสนานี้ ถูกตำนิดิ้นเดียนได้ต่อไปแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาที่จะเป็นไปกับสังคมปัจจุบันนี้และในอนาคตด้วยนี่เป็นเรื่องของสุปฏิปันโนทันี้สังฆคุณข้อที่สองคืออุชุปฏิปันโนอุชุเนี่ยแปลว่าตรงปฏิบัติตรงเทีกว่าอุชุปฏิปันโนคำว่าปฏิบัติตรงในที่นี้ท่านตรัสว่า หมายถึงไม่ปฏิบัติเพื่ออิงในส่วนสุดทั้งสองอย่างคือไม่สุดตรงในสองสายสายหนึ่งคือกาเมสุขันลิกาเมฆานุโยคอีกสายหนึ่งคืออัตกิลัมถานุโยกการปฏิบัติโดยไม่อิงไม่อิงทางทั้งสองทางหรือไม่สุดตรงทั้งสองสายเนี่ยเรียกว่าอุชุปฏิปันโนพัคะวะโตสาวกสังโภเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วก็คือถ้าหากว่าไม่อิงในสองสายนี้ก็ เป็นผู้ตรงต่อพระนิพพานก็อยู่ในมัดแปดหรือสติปัฏฐานสี่ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงถ้าปฏิบัติตามมัดแปดหรือสติปัฏฐานสี่แล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงตรงต่อพระนิพพานไม่ยิงในการมุขขันธิกามมฐานุโยคและอัตตกิรามมฐานุโยคนี่เป็นเรื่องของปุชุ ป, ปฏิปันโน ส่วนยายะปฏิปันโนกับสามีจีนั้นเป็นคุณธรรมของพระสงฆ์ที่เราจะได้ศึกษากันในวันอาทิตย์ต่อไปคือยายะปฏิปันโนกับสามีจีคาว่ายายะกับสามีจีนั้นมีความหมายอย่างไรจะได้นำมาอธิบายให้ททั้งหลายได้เข้าใจในโอกาสหน้าวันนี้การบรรยายเป็นท่าจะพอสมควรแก่เวลาแล้ว มาขอยุติการบรรยายไม่เป็นิงนี้อาทิตย์ก่อนอัตมาได้พูดถึงเรื่องอุชุปฏิปันโนหมายถึงว่าพระสงฆ์นั้นที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วนั้น่ะเพราะเหตุว่าการปฏิบัตินั้นเป็นอุชุปฏิบัติอุชุปฏิบัติเนี่ยคือปฏิบัติตรงคือพระสงฆ์นี่ปฏิบัติเบี้ยวไม่ได้ต้องปฏิบัติตงตรงแล้วก็การปฏิบัติตงนั่นแหละเรียกว่าอุชุปฏิปันโน พระวโตสาวะกะสังโฆพระสังฆคุณที่สองที่สามก็คือยายะปฏิปันโนกับสามีจิตปฏิปันโนคำว่ายายะนี้หมายถึงเยียธรรมอะไรล่ะเป็นตัวเยียธรรมคําว่าเยียธรรมในที่นี้ก็คือพระนิพพานนิพพานนั่นแหละคือเยียธรรมฉะนั้นที่เราสวดสรรเสริญว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเยอียธรรมอันนี้ก็ถูกต้องคือเยียยะปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโฆปฏิบัติเพื่อเยอียธรรมเพื่อเยยธรรมในที่นี้ก็คือเพื่อพระนิพพานหรือเพื่อความดับทุกข์เป็นที่ตั้งนี่เป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติของพระสงฆ์เยียธรรมนั้นนะคือตัวพระนิพพานโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงปฏิบัติธรรมนี้เพื่อไปสู่พระนิพพานแต่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติเพื่อพระนิพพานและย่อมถึงซึ่งพระนิพพานนี้โดยแน่นอนนั้นท่านหมายถึงอริยสงฆ์หรืออริยบุคคลแปดจำพวกที่ท่านได้กล่าวไว้ในสังฆคุณว่ายะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิปุคลาเอสะภะวะโตสาวะกะสังโฆเนี่ยท่านหมายถึง บุคคลบุคคลในที่นี้หรือบุรุษสี่คู่ในที่นี้หมายถึงอริยบุคคล8ดจำพวกก็คืออริยบุคคลที่ตั้งอยู่ในมรรคสี่จำพวกที่ตั้งอยู่ในผลสี่จำพวกอริยสงเหล่านี้แหละปฏิบัติเพื่อเ ย, อเยอียรธรรมเพื่อพระนิพพานและก็ถึงพระนิพพานในปัจจุบันนี้เป็นสามัญญผลในปัจจุบันนี้แน่นอนนี่หมายถึงอริยบุคคล8ดจพวก แต่นอกจากแปดจำพวกนี้คือนอกจากพระอริยบุคคลที่เป็นโสดาบันบุคคลถึงพระอระหันต์แล้วอย่างพระกุตุชนธรรมดาทั่วไปในปัจจุบันนี้แม้จะไม่ถึงซึ่งเยียธรรมแต่ก็มีจุดไปสู่เยียธรรมนี้ไม่อยู่ในบทคําว่าเยียะปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโฆเพราะว่ายังไม่แน่ว่าปัจจุบันนี้จะได้บรรลุนิพพานหรือไม่ และจะปฏิบัติถึงพระนิพพานหรือไม่ก็ยังไม่อาจสามารถจะทราบได้แต่ก็ถือว่าเยียธรรมนั้นคือจุดหมายปลายทางเพราะเยียธรรมนั้นเป็นธรรมที่ดับทุกข์ได้ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ในวตาสงสารหรือทุกข์เล็กทุกน้อยที่เราประสบคนอยู่เนี่ยก็จะดับได้เมื่อบรรุ ถ, ถึงซึ่งเ ย, ะยะียธรรมฉะนั้นเราจึงสวดสนรเสรสิญสาวกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเ ย, อะยะียธรรมและการปฏิบัติเพื่อเยยธรรมเช่นนี้แหละ พระสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงควรแก่สามีจิกรรมที่เราสวดเสริญว่าสามีจิตปฏิปันโนพระคัมภีสาวกสังโฆปฏิบัติเพื่อสามีจิกรรมเป็นผู้ควรแก่การกระทำสามีจิกรรมควรที่เราจะได้โค้งศีรษะให้ควรที่เราจะกราบไหว้ให้ควรที่เราจะเคารพท่านนับถือท่านเนี่ยเพราะว่าเพื่อสามีจิต เยยธรรมนั้นควรแกสามีจิกรรมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้นอกจากเราจะปฏิบัติเพื่อเยียธรรมแล้วประสงค์ก็อยู่ในฐานะที่